พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปพระสูตรที่26สันทกะสูตรสูตรว่าด้วยสันทกกะปริพาชกพระผู้มีพระภาคประทับนโคสิตารามใกล้กรุงโกสัมพีพระอานนเถระพร้อมด้วยภิกษุมากลายไปสนทนากับสันทกกะปริพาชกพร้อมด้วยบริสัทสันทกะปริพาชก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 เป็นพรหมจรรย์ที่สาวกจะได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬานซึ่งวิญญูณบุรุษอยู่ประพฤติพรหมจรรย์โดยแท้และเมื่ออยู่ประพฤติก็ได้บรรลุธรรมที่ถูกต้องเป็นกุศลสันทกะปริภาชกกล่าวว่าพระอรหันยังบริโภคกามพระอา น, นุ์ตอบว่าพระอรหันเป็นผู้ไม่ควรที่จะประพฤติล่วงฐานะห้า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 ก็สรนเสรินพระอาหน์ว่าแสดงธรรมไม่ยกธรรมะของตนไม่ข่มธรรมะของคนอื่นเป็นการแสดงธรรมะตามเหตุแต่ก็มีผู้นำตนออกจากทุกข์ได้มากถึงเพียงนั้นส่วนอาชีวกที่บัญญัติกันว่าเป็นผู้นำตนออกจากทุกข์ได้มีเพียงสามคนคือนันทะวัชโคตรกิศะสังกิ จ, จโคตรและมัคคิลิโคสาละ